ก็ไม่มีอะไรแล้วมาแพะพักผ่อนให้เพื่อนให้ฝากันทำบุญทำสมาธิไม่ได้ซื้ อ, อยากให้ฝ่กกากันรักษาใจได้มีสมาธิได้มีปัญญาหน่อยคนเราขาดการทำสมาธิเมื่อขาดการทำสมาธิไม่มีปัญญาเข้าวัดเอาแต่ของไปถวายพระเห็นไหมละ่ะเต็มไปหมดเลยวงป่ <laughs> ว่าผลปู่ว่ามาทำบาป ท้าไม่พระลำบากรถเท่าไรเต็มไม่ไม่แต่เอามานุม่มชาวเนี่ยก็ไม่เอาสัตอย่างเลย <c oughs> บอกว่าไม่เอาของมาบุญคือเบาไปเบาๆไปตัวเบาเบพระก็เบา <c oughs> แต่ขนของมาพระยุ่งกลัวแต่พระลำบากไม่ลำบากหรอกทุกวันเนี่ยน่เหมือนแต่ก่อนเร <c oughs> <c oughs> านำพอชนะอาหารพระเทเราเป็นแสนก็่ฉันไม่หมดนแต่ทำงานนิดๆหน่อยๆ แต่แม้ต่ก่อนเระบินตะบาดอ้อมบ้านอ้อมเมืองก็ไม่ได้ขนมสักห่อมันไม่ค่อยมีจะได้ยังไงมันไม่มีได้แต่แก้วสดๆนั่นน้ำพริกสดๆพริกงผงๆโดยเฉพาะพระกรรมฐานเพราะว่าพระกรรมฐานสันเจตามพริกใส่เกลือใส่เมล็ดงาใส่บาทนั่นไม่แค่มันก็พอใจแล้ว ในทุกวันเนี่ยอะไรกับผมเถไปหมดผมเถไปหมดถึงกับพระที่เกียดเราทุกวันนึ่งน้ำกับกองกินไม่เป็นกองฉันไม่เป็นมีแต่โยมมาขวดมาให้กวบมาให้นั่นขาดทุดโลงขาดข้อวัดไปแล้วในนี้ก็มากไปแล้วฉันในบาป ก, ก็ไม่ได้แล้วว่ามันเลอะเทอะว่ามรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ในบาปกพว่าเป็นอย่างนั้นอีกแล้วกล่าวคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอน ว่าอะไรล่ะธรรมของเราศาสนาคตได้ตัดสู่แล้วห้าพันปีเราวางหลักพระศาสนาไปห้าพันปีเดี๋ยวนี้ครึ่งแล้วแหลมไปแหลมไปแหลมไ ป, มไปถ้าเราเกิดอีกขั้งหนึ่งไปลไปลายล่ะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนั่นตกหมูอแห้งเป็นแห้งตกมูอกาก็เป็นกาไปแล้ว <c oughs> ไม่เจอคําสอนของพุณเจ้าเราก็กลับกันกินข้ากันกินแ่ะเรามาเจอเลยรีบทําเอาทุกวันนี่ จะถือว่าเป็นของเล็กน้อยไปเตือนดูหนึ่งนาทีก็มีประโยชน์มากวันหนึ่งหนึ่งนาทีให้เป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบรารมีถ้าเราดูดไม่ได้ทำไม่ได้ก็มึมันก็เลยกิเลสมันก็เลยได้ท่าแล้วทำไม่ได้ก็ว่าด้ดังเดิมนั่นเสียงกิเลสได้ยินไหมทำไม่ได้นั่นเสียงกิเลสเสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่มีในโลกถ้าเรามีปัญญาเราเสียงกิเลสได้นะ สิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็บอกไปสิบอกกิเลสให้ได้ยินมันคือกิเลสเสียงเอาเสียงเอาฉันทําไม่ได้ฉันไม่ได้บวชฉันไม่อยู่วัดนั่นเห็นมไหมล่ะเสียงกิเลสค่าอะไรค่าไม่บาปคือค่ากิเลสเราไม่มีปัญญาค่ากิเลสไม่ใช่เป็นดีไม่ใช่เอามีดไม่ใช่เอาปืนไปฆ่ากิเลสนะเอาปัญญาปัญญามาจากไหนปัญญามาจากสมาธิ นั่นศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่มาจากวุ่นวายที่ปัญญาทําอะไรนิดนิดเดียวน้อยเสียงนุ่นมาทับถมปัญญาไปแล้วทําให้วุ่นวายไปแล้วก็หลงไปตามรูปตามเสียงรูปเสียงกลิ่นรสไปแล้วพิ่งแทนที่ได้สํานึกวงธรรมสังเวชการเป็นการตายตัวเราก็จะตายเหมือนกันเราจะเอาอะไรไปด้วยผู้ตายเอาอะไรไปด้วยผมขนเล็บัผ น, นังเอาไปด้วยได้ไหมเงินทองของเขาเอาไปด้วยได้ไหม เขาใส่ปากให้เขาไปเก็บดูเขาก็ขอขึ้นมาอีกที่นี่บุญแท้เราตั้งใจมาทําบุญทําไมไม่ทำหรออาหารใจไม่ได้ซื้อสักบาทไม่ทำนั่นทำไมเราไม่รักษาใจสักบ้างเคยเทียบให้ฟังกระมังสองใบใบหนึ่งใส่อาหารกายใบหนึ่งใบหนึ่งใส่อาหารใจนู่นอาหารกายแพทเดียวเต็มไปหมดไม่มีที่ใส่แล้วนอาหารใจเราไม่มีเลย ตังฟังเบาๆจะด้วยไม่มีอะไรเลยดิไม่ได้ซื้อสักบาทจะไม่ดูใจอาศัยอยู่อาศัยอะไรอยู่ขา้าวน้ำโภชนาอาหารเหรออาศัยลม <c oughs> นั่นถ้าไม่มีลมใจกว่านีแล้วง่ายไหมละ่ะนั่นแต่เราไม่ดูนั่นเึงนี้จำแล้วทุกที่สุดคือหาที่เกิดทเดทวดาจินกรมยมยักษ์ก็อยากมาเกิดเป็นมนุษย์อยากพูดโฆษณาอยากปฏิบัติ ศินธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใจทุกดวงก็เหมือนกันอยากมาปฏิบัติเพื่อไม่ให้มากเกิดมาแก่มาแกมาแก่มาตายพอมีสังขารร่างกายก็ะ ล, ลืมเจตนามันปกปิดเอาไว้เป็นไหมคิดย์ดูแต่แต่ละคนแต่ละคนเราคลอดออกมาเรกเป็นภาระไหมเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่โตขึ้นมาอีกก็เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่เป็นภาระของครูบาอาจารย์เป็นภาระของตัวเราอีก แล้วแจกจะใครอยู่ในชุมนุมไหนชุมชนไหนชุมนุมในศิปงในธรรมก็ยังดีชุมนุมในที่เล่นที่เล่าที่ยาที่โบกที่อะไรก็ว่าไปสิมีทุหมหนต้นแห่งเต็มโลกเต็มต้องสนามนั่นเข้าใจไหมละ่ะติดโสมนุษย์สาวตรลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบเป็นบนเสดติดขังพุท ธ, ธสมุทปดังการได้พบพระพุทธศาสนาเป็นลาบเป็นบสดติดขังสัตธรรมมร น, นังได้ฟังคำคำสั่งสอนของผู้เจ่าก็เป็นลาบเป็นบเสด เราเป็นลาบเป็ระเสริฐแล้วเนีเหลืออย่างเดียวคือเราจะรับประทานหรือเปล่าอาหารใจจะอาหารกายลราเห็นทิ้งกันไหมบอกนิดหน่อยทานข้านิดหน่อยทานเข้าแต่อาหารใจบอกเท่าไหร่ก็ไม่ทานไม่ทำนั่นแหละไม่ทานไม่ทำไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเอาให้มันเข้าใจชัดๆก็คือพข้ใจง่ายๆคือไม่ดูไม่ดูสวรรค์ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นนั่นสวรรค์อยู่ที่ไหนสวรรค์ในอกนรกในใจฟังซิฟัเสียงของพระเจ้าซิ นั่นแล้วเราเสียชีวิตเจ้ากรรมในเวรเขาไปดักถามอยู่ข้างทางต่างทางทา ง, ทางจะไปประตูสวรรค์ได้มาจากไหนได้เคยลู่ทางไปสวรรค์ไหมตาเคยลู่ทางไปสวรรค์ไหมนั่นเห็นไหมละ่ะเขาตอบแล้วเขาถามแล้วเอาอะไรตอบเขาสิหนิถ้าไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยเห็นทางไปไมันตอบเขาไม่ได้เขาแบมาจากไหนมาจากเมืองนารอบ ก้ับเพืนไปถ้าไม่รู้ตักทางไปสวรรค์มันเมื่อศ์นั่นท่านบอกว่าท่านดูทุกวันท่านเห็นทุกวันนั่ น, น, นเขาก็ปล่อยให้ไปสิกรรมเจ้ากรรมพญายมที่บ้า น, นก็คือรักษาเจ้ากรรมในเวรประตูจะไปสวรรค์แล้วเราตอบได้เขาก็ปล่อยไปถ้าเราตอบได้แต่เขาก็ไล่ขึ้นไปเมืองนรกรู้จักไหมละเมืองลลนรกนรกก็คือล่ํารวยสวยงาม เอาเอาไปแปลให้เข้าใจว่าว่าทำไมดวงตาจึงว่านรกสวยร่ํำรวยเป็นนรกสวยงามเป็นนรกเขาก็มันห่วงในใจอ่ะห่วงคนมาฟ้น ม, มาขีา้มาฆ่ามาตีห่วงคนมายืมมายืมแล้วไม่เอามาคืนให้ไปฟ้องร้องกันไปฆ่ากันเป็นนรกไหมล่ะสวยงามก็เหมือนกันละ่ะมั่นกันไว้ลวทะเลาะกันแต่งงานกันแล้วถึงกันห่วงกันจ้างฆ่าฮอดสามีตนเองจ้างฆ่าฮอดภรรยาตนเอง เพราะคือหมุนหมุมเป็นนรกไหมนั่นละเอียข้าไปละเอียด้าไปไม่พยายามแน่นหนักคาดปฏิบัติเตยอยากรู้อะไรไม่ได้ซื้อหรอกถ้าไม่ได้ซื่อหลวงปู่ให้บอกดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเรียนซับภายในทรับสมบัติของโลกของสงสารพ่อแม่ปู่ย่าตายายหนีไปก่อนแล้วไม่เห็นเอาซับสมบัติไปด้วยสังขารร่างกายไม่ได้พาไปสวรรค์ไม่พาห น, น้าใจน่ะพาไปอ่ะ สังขารร่างกายของโลกจืมโลกมาใช่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟธาตุใจคือผู้รู้นั่นรู้อะไรล่ะทินไคยรู้บ้างไหมรู้สวรรค์ไหมน่นถ้าไม่รู้ก็ไปไม่ได้ก็เหมือนมาที่นี่ถ้าไม่รู้ก็มาไม่ได้นั่นถ้ามาดูดมาดูมาแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นยังไง น, นั่นนี่จะสวรรค์เหมือนกันแหละไปถามใครละ่ะไปถามพระพระไม่เคยรู้สวรรค์ไม่เคยรู้ทับพันิุพานมิตรบอก จะทูตผิดเาีถวายสังฆทานถวายกระถินตรวจน้ำโยมนั่นหรือสวรรค์นิพพานเมื่อเวลาไม่บอกโยมโยมก็หลงกันน่นนี่แหลจะทักถมไปหมดรูปเสียงต่างๆเพราะฉะนั้นให้เน้นหนักภาคปฏิบัติอยากจะรู้รู้เองดูใจเหเจ้าของเองเกิดกี่ครั้งรู้ใจเจ้าของเองดูใจเจ้าของเองไม่ต้องไปถามใครแล้วนั่นปัจจตตังรู้จําเพาะตนเห็นไหมคําของพระเจ้าถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นถ้าดูก็เห็นก็รู้ เปนนาฏเปกุศลนารเดโยมสีพี่น้องลูกหลานได้มากราบมาไหว้ลุงปู่หลวงพ่อเป็นสิเป็นมุนโคมเปุญกุศลกุศลที่เราได้มากราบมาไหว้ได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงนำไป ป, ปฏิบัติ งัดฝึกฝนอกลมกายวาจาใจเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ทําบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณก็ทําคุณประสงค์และสิ่งศักดสิทธิ์ทั้งหลายจงมารวมกันจงปกป้องปกปักษักษาวอกตนได้โยมนกหลานจงมีแต่คนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกข์โศกโลภภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดวาสนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคําั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งหกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า และก็มีดวงจิตดวงใจได้เห็นมักเห็นผลเห็นตะวันเห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี่เถินอืมอืมอ้ามันจะคําแล้วมันจะคําหลวงปู่แ ก, กเลยอำหน้ามาท้าเห็นว่าจะไปพักที่นน่นอีกหรือที่ไหน <c oughs>